มีพระมหาขจัปปะเถระเป็นผู้รวมจำกระด away พระอนุนจำแม่นที่สุดเลยพระพุทธเจ้าแสดงทำหน้าที่ใดอานุน์จำมาได้หมดเพราะเป็นพุทธอุปถากขอพรจากพระพุทธเจ้าว่าภาพพระพุทธเจ้าไปแสดงทำที่ใดขอให้ข้าพองค์ติดตามไปด้วย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 เมื่อถึงคราวทําสังขยนาล้อยกลองทําคำสอนขึ้นมาก็ต้องขาดพระดนมาได้พระดลก็มีความสำคัญให้เาาที่ทําสังขยนาพระมหากัตรปย์เทวเจ้าได้เป็นประธานในหมู่สงฆ์เลือกพระเะถระทุกเป็นมหารันทั้งหมดมารวมกันต่างรูปต่างองค์ก็จากันมาแม่นในทางใดสาธิบุตร พระโมกันลาดะพระอุบาลีพระดุลทะแม่นอย่างไดเขาจำกันมามาพูดให้ฟังแต่พระอนนท์ยังไม่เป็นพระมหาไดยแต่ว่าขาดไปได้มากขึานปะจึงเว้นไม่ได้ต้องให้พระอนนท์ปฏิบัติธรรมเพื่อจะทำสังฆาตาราดท ก, ก็เริ่มปฏิบัติธรรมเอาจิงเอาจังน้าด้ำควาเขียดตั้งตงที่รั่วมากจำแม่นเหลือเกิน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 ทำสัง้านาเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นเอเฮเป็น่ะเรียกว่าขีณาศกทาสัง้านามาพากเราก็เอาคำสอนมาช่วยส่วนหนึ่งที่เรามาสอนตัว อ, อย่างเราช่วยอะไรคือสติอะไรคื อ, อ, คอกายอะไรคือเวทนาอะไรคือจิตอะไรคือธรรมทำยังไงมาจาก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 สังหาครูบาอาจารย์ก็มาตะเปตปามาพบหลวงปู่เทียนเขา้าถูกกับความคิดของตนเองที่เป็นปัญหาไม่รู้ลองปู่เทียนก็ท่าทายเราก็เลยตั้งใจงเวลาหลวงพ่อเทียนแจแดงทำเราไม่ใช่ไปจําออกมาม า, มาทําตัวเอยงสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดเราไม่รู้สิ่งที่เรารู้หลวงพ่อเทียนไม่พูด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 บางครั้งมันก็ทางเตี่ยวบางครั้งมันก็จราจรติดขัดเกิดดัดขัดแองมากมายเกิดจากการปฏิบัติธรรมบางทีมันก็เป็นกีฬาเป็นการสนุกเราไดเ้เทีนย่วงมันมีศิลปะเป็นธรรมชาติมันยิ้มสู้มันฮึดสู้ค้ายๆไมา่ใช่อ่อนเออมันฮึดสู้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 เขาก็มีอาชีพอาธรรมทั้งหลายมันก็คลองเรามาดานรสชาติของอาธรรมมันก็ติดสุบูรีอะไรต่างๆเคยอะไรต่างๆก็ติดกันมาพอมารู่มาลู้เนี่ยมันเหมือนกับมาซ่อมการมีแผลในใจเคยรักเคยสุขเคยผิดเคยถูกเคยดีเคยชั่วมาซ่อมมาลู้เหมือนก็สซ่อมลู้ที่ใดก็ฟิตไป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 ทำให้เราเชื่อมแข็งเคยสมมติตัวเองสมัยหนุ่มๆเดินทุง่งโยนยงเชียงใหม่เห็นเราเดินทุง่งนี่ยวนไปพักที่สวนเยี่ยวน่ะสวัสดีจํำอะไรหรอเดี๋ยวกลวัดดุมงเขาเกิดชะตาเลยลูกนี่ยวนไป5้าลูกไปปรากฏเขาก็ให้บ้านพักแต่เราไม่พักเราถือลูกขโมยวัดอยู่คนไม้เป็นาปากกวัดปรากฏฝนตกทั้งคืน เจ้าของบ้านก็กลางลวมมาเอาลวมมามาช่วยเจ็บของขึ้นบ้านเราไม่เจ็บเราไม่ไปให้ฝนตกก็เปียกนะแต่เปียกข้างบนมันไ่เปียกแต่น้ามันไหลหลากมามันก็เปียกทำไงก็เอาผ้ากีวรเอาผ้าสังขารติใส่ในบาตรือไว้แต่ผ้านุ่มก็เอาก้อนอิดโบรานเขาก้อนใหญ่เอาวางแต่พวกก้อนหน่งพอนั่งให้ตัวไม่จมน้า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 มันคิดขึ้นมาอะไรอย่าไปเชื่อมันนะความคิดเนี่ยมันความคิดกันมาก็หอบบาดไปความคิดขึ้นมาแบบเหมือนก็หอบบาดนะมันเป็นใหญ่ขนาดนั้นหรืออันความคิดเน่ะดูดีดีนะอ่าดูดีดีดูนะไม่ใช่ให้ไปตามมันแบบถ้าเราตามความคิดเสมอไปมันจะมีที่อยู่หรือความคิดเี่ยมันคิดขึ้นมามันเหลือเกินนะอย่าอย่าตามมันเไป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 เจอรอยขวายมีรอยน้ำก็ขังอยู่ก็ล่องลั่นลูกบโคกมีนะหลงพ่อเทียนพูดโอ้ก็คือเราเลยแหละเป็นคนที่ทุกขี่ยากปฏิบัติธรรมมีความลู่อะไรต่างๆก็อยากไปสอนแม่อยากไปสอนพี่สอนน้องก็คิดไปจะไปความสุขจะไปความลู้บ้านไปเป็นถังจิต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 อ่าอนนฉบบเดิมหราพเทียมก็เปลี่ยนแลมาจะมาถึงแบบนี้แต่กองก็บอกว่าตงนิ่งตีงนิ่งตีงนิ่งตีงนิ่งว่าไปด้วยนะตีงนิ่งตีงนิ่งตีงนิ่งตีงนิ่งอ้าวมันเป็นภาษาเราภาษากลางจลักไหวนิ่ง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 ยุบหน่อพองหนอแต่ไปเจญ อ, อยู่ที่เมืองลาวก mm ็เ hmm. ลยกลับมาชมเมืองไทยก็เลยมาอยู่หลวงพ่อเถียนไปพูดตามมา mm hmm. เดี๋ยวนี้ก็มีการสอนกันน้องข่ายเป็นตุเป็นหลักจริงๆที่นั่นนะ mm hmm. แต่ว่าข้ายังมีไว้นิ่งไวน้ไวนิ่งอยู่ mm hmm. เวลาจะฉันอาหารก็ต้องมีอยู่ mm hmm. เอาเมือวางไว้เนี่บาดตักไว้ตะแนกก็ฉันชก mm hmm. มือขึ้นมาตกบาดเอาข้าวมา ม, มาวางได้ไปจับอาหารจับอาหารก็ปาวางยกเสษปากอาหารถูก ป, ปากอมไว้ก่อนมาวางแล้วก็มานั่งหลับตาเขี้ยวเกือบสองชงั่วโมงยังไม่อยู่ทุกวันนะอาเนินพะเนวทั้งสองก็อยู่เวลาทําอาหารเนี่ยเขเป็นโตไปส่งกติกติมีทางเดินจกกมกรมในห้องน้ำห้องซ่วมอาหารที่เขาไปส่งก็ทําเป็น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 ในชีวิตของเราสนุกดีทำไงเราจรึงจะลู้วันลู้มันล่วันมันขุดเพื่อว่านิสัยยังไงมามันจะลู้แบบนั้นเคยยังไงมาจะไปอย่างนั้นก็ลู่ชื่อๆเข้าไลู่ชื่อๆเข้าไปนี่คือการปฏิบัติของพวกเราถ้ามาทาวัดก็ดีถ้าไม่มาทาวัดก็ดีแต่ต้องนอนนะต้องกินเท่าให้อิ่มต้องพักผ่อน